ขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพระถือตัวคิดว่าพระสมณโคดมนี้อันบริสัทธ์แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ถ้าอย่างไรเราพึงเข้าไปหาพระสมณโคดมถ้าพระสมณโคดมจะพูดกับเราเราก็จะพูดด้วยถ้าพระสมณโคดมจะไม่พูดกับเราเราก็จะไม่พูดด้วยลำดับนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพระถือตัว